แต่ถ้าหากว่าไม่ไปประทุสร้ายจิตใจเนี่ยนะไม่ประทุสร้ายไม่กักกักขังขมขืนขมเหงบุตรภรยาของผู้อื่นก็ปัญหาพวกนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ว่าโอ้อยู่ในแวนแควนนี้ดีเนี่ยนะมีแต่ความปลอดภัยนะลูกหลานก็ปลอดภัยกันเพราะว่าอย่างว่านะทำทุกอย่างคนที่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 ดูก่อนอนอนท์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์เจ้าวัดชีทั้งหลายแห่งเมืองวัดชีทั้งหลายนีทั้งภายในภายนอกของเจ้าวัดชีทั้งหลายยังไม่ลดพลีกรรมประกอบด้วยธรรมที่เคยถวายแล้วทําแล้วแก่เจดีย์วัดชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเหล่านั้นอยู่หรือหมายคือว่ายังมีการทําพิธีบวงสรวงบูชาเจดีย์อยู่หรือไม่ นะเช่นว่าเช่นอนุสาวรีเนี่ยนะมีพวกอนุสาวรีทั้งหลายพวกคล้ายๆสมัยคล้ายๆพวกศาลเจ้าศาลเจ้ า, า, จาหลักเมืองอะไรทั้งหลายแหละ ท, ที่เขาจะต้องมีพิธีเนี่ยนะไปทีบวงสวงพิธีอะไรเนี่ยพิธีเหล่านี้ยังมีอยู่ไหม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 แต่ก็มีบางเขาเรียกว่าเทพพญาเจ้าเนี่ยนะช่วยแฝงมาทางความคิดบางอย่างได้ น, นะนะท่านก็มีความสําคัญว่าถ้าหากว่าเราไม่เคารพไม่นับถือบูชาเหล่าเทพพดาทั้งหลายถ้าเทพพดาไม่รักษาเนี่ยดือดร้อนหนึ่งกันนะคนที่เทวดาไม่รักษาเนี่ยปัญหาที่ยังไม่มีก็มีขึ้นไอ้ปัญหาที่มีอยู่แล้วมันก็มีแต่บานแก้ไขไม่เสร็จแต่เชื่อไหมถ้าคนที่เทวดารักษาเนี่ยนะทำอะไรมันถูกไปหมดอะ ยังทีบางคนนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่น่าเป็นไปได้แลยมันทำมาอย่างนี้ได้ยังไงไม่น่าเชื่อ ย, ยังกระพีจับทํางนั้นแหะเพราะงั้นเดี๋ยวสูตรต่ อ, ต, อต่อไปนี่เขาจะมีแม้กระทั่งเลือกที่ดินที่ทํากินที่อะไรเนี่ยก็ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเทวดานี่ยนะเดี๋ยวต่อตอไปอีกในเรื่องเนในมหาปริญนิพพานสูตรนี่แหละเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ายังเคารพนับถือบูชาเทวดาอยู่ไหมนะ เสร็จแล้วข้อที่สุดท้ายข้อเจบอกว่าดูก่อนอนนท์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังจัดอาราขาป้องกันและคุ้มครองประกอบด้วยธรรมด้วยดีในผ้าหันทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าทําอย่างไรผ้าหันทั้งหลายที่ยังไม่มาเพิ่งมาสู่วแว่นแคว้นและผ้าหันทั้งหลายที่มาในแคว้นแควนนี้แล้วขอให้อยู่สบายในแว่นแคว้นนี้ดังนี้หรือคือท่านเหล่านั้นเนี่ยยังดูแลรักษาสมณะพราหมณ์อยู่ไหม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 ขอให้อยู่สบายในแคว้นวัตชีดังนี้พระเจ้าค่าบอกอานอนท์ถ้ายังปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดการเพียงใดดูก่อนอานอนท์เจ้าวัตชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ที่บอกว่าปกปก้องคุ้มครองผ้าหันทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่ใช่หมายคำว่าแมมเอากองทัพมาคุ้มครองมารักษาเนี่ยนะเป็นต้นสร้าง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 เมื่อชาวบ้านก็หาปลาแถวนั้นพระดีท่านก็หนีไปท่านก็ไม่อยู่ท่านก็ไปหาที่ส ป, ปายะของท่านพระไม่ดีก็มาอยู่พระไม่ดีมาอยู่ทำไงก็ซื้อเหล้ามาก็แกล้มเหล้าแล้วกออ็ฝนตกก็ลงหาปลาในบ่อ น, นั้นก็ทั้งพระทั้งโยมพอกันหมดแล้ครับเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะถ้าไม่เห็นมากระตาก็ไม่เล่าให้ฟังแต่พระนธ์ทำให้รู้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ช่วยปกปักคุ้มครองพร ะ, ะที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยธรรม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 เพราะเขาไม่มีศรัทธาไปแล้วเนี่ยนะมันก็เปื้อนบาปันทั้งนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็รักดีเนี่ยนะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอย่าลืมว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ยอมคบคนพาณเด็์ขาดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนพาณเนี่ยนะทังถึงรู้ตัวว่าเป็นพาณแต่ไม่เอื้อต่อบัณฑิตบัณฑิตทั้งหลายที่ไหนเขาจะสงเคราะห์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ยังไม่มาท่านก็ไม่มาด้วยประการชนี้หรือเมื่อที่อยู่ภาสุ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 เพราะฉะนั้นถ้าอทหารที่ยังไม่มาก็ไม่มาที่มาแล้วก็อยู่ลําบากเพราะถิ่นนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของบรรณชิตเพราะฉะนั้นถ้าบริเวณใดไม่มีบรรณชิตไม่มีผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นการทําบุญอุทิศนกุศลให้เทวดามีไหมไม่มีจากนั้นพวกอรักขาเทวดาก็จะไม่มีเทวดาที่คือเทวดาที่ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองก็จะไม่มีแล้วพวกอมนุษย์ทั้งหลายก็ได้โอกาสเทวดากับมนุษย์เนี่ยต่างกันยังไง พวกกลุ่มอมนุษย์ก็คือเน้นพิเศษพวกไม่มีคุณธรรมเลยพวกที่ไม่มีเฮเรโอตาปะเลยเนี่ยนะก็จะเป็นที่เรียกว่าพวกผีพวกสางทั้งหลายพวกเปรตอสุรกายทั้งหลายก็ถือได้ช่องได้โอกาสเพรา ะ, ะ น, นอ ม, มนุษย์เหล่านั้นก็เน่นหนาขึ้นนะความป่วยไข้ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นโรคที่ไม่มีก็มีขึ้นเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายที่ควรจะได้ก็ไม่มี ก็อดการให้ทานการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมเป็นต้นก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีการปกป้องคุ้มครองผู้มีศีลโดยธรรมไม่ตัดต้นไม้บริเวณแถวที่ท่านอยู่ให้ท่านอยู่การสบายไม่ไปล่านกฆ่านกฆ่าเนื้อไม่ไปฆ่าปลาบริเวณนั้นจัดการคร่าไม่ให้อ่าหมายว่าเป็นสถานที่ที่ท่านให้ท่านอยู่ได้อย่างสัปปะยะในการเจริญสมณธรรม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 ก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็ยนมันข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งในหกข้อในหกข้อที่กล่าวมาแล้วเ น, เน้นพิเศษคือเน้นประโยชน์โลกนี้ข้อสุดท้ายข้อ7ก็คือจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นฐานแห่งประโยชน์โลกหน้าและเป็นฐานแห่งประโยชน์อย่างยิ่งใน ทีนี้พอพระพุทธเจ้าแสดงอปริหานิยธรรมของเจ้าวัติวัตชีทั้งเจ็ดจบเนี่ยนะวัสการพราหมณ์พูดถึงวัสการพราหมณ์บ้างบอกว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับวัสการพราหม์มหาอมารทของแคว้นมคดว่าดูก่อนท่านพราหมณ์สมัยหนึ่งตถาคตอยู่ณวิหาราวิหารสารันท ะ, ทะเจดีในนครเวสาลี ณที่นั้นตถาคตได้แสดงอภริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้แก่เจ้าวัดฉีทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนหลักการบริหารเพื่อให้ได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแก่เจ้าวัชฉีทั้งหลายดูก่อนพราหมณ์ก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ ยังจัดตั้งดีจักตั้งอยู่ในเจ้าวัดชีทั้งหลายและเจ้าวัดชีทั้งหลายยังจักเห็นดีร่วมกันในการในอปริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรดูก่อนพรหาหมณ์เจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็มีแต่เจริญอย่างเดียวหวังแค่นั้น ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ววัสการพราหมมหาอมารของแควนมโคดได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเจ้าวัดชีทั้งหลายประกอบด้วยอปริหานิยธรรมแม้เพียงข้อหนึ่งข้อเดียวก็พึงหวังความเจริญได้โดยแท้เจ็ดข้อนี้ดีหมดเลยถ้าปฏิบัติได้แม้แต่ข้อเดียวก็หาความเสื่อมไม่ได้เจริญอย่างเดียว แต่ว่าจะกล่าวอะไรถึงเจ้าวัชชีทั้งหลายประกอบด้วยอปริหานิยธรรมเจ็บประการข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญและพระเจ้าอาชาติสตรูผู้เป็นใหญ่ในแควนมคธพระโอรสของพระนางเวเทหิตไม่ควรทำกับเจ้าวัชชีทั้งหลายด้วยการรบรบยังไงก็รบไม่ชนะถ้าปฏิบัติอยู่ตามนี้จริงอรนอกจากอะไรวิธีการปรองดองกันซะ หมายถึงว่าเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมนะอย่ามาเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันเลยเนะเรียกว่าส่งอะไรส่งของขวัญส่งอะไรผูกมิตรกันไปเถอะไม่ต้องไปทําอะไรสักอย่างอีกวิธีหนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งคิดได้ทําให้มันแตกแยกกันใช่ไหมนะไปะยุยงแทงตะแคงรั่วให้มันปั่นปนหลายๆเสียงแล้วก็ตีเลยก็มีคิดได้สองวิธีแาบนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมควรแล้วข้าพระ อ, องค์บัดนี้ข้าพระ อ, องค์มีกิจมาก มีกรณียะมากมีเรื่องต้องทำมากกลับบ้านก่อนแล้วมนะันใครว่าสําเร็จงานแล้วนะลากลับบ้านนะนะอันตรธานี้มายังพันเตยอปุชามะมายังพ ร, ระหุกพระหุกกรณียาในกรณีที่คําเขาลากลับบ้านกันนะ่ะนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายะสถานิตุลมเฮหีกําลังบัญญาท่าท่านพิจารณาเห็นการอันสมควรเถอแปลภาษาไทยก็กลับไปเถอะะน ครั้งนั้นวัศการพรามณมหาหมาดแควนมาคตชื่นชมอนุโมทนาพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสนะกลับไปเกี่ยวกับวัศการพราหมณเนี่ยนะพอกลับไปถึงก็ไปรายงานใครไปรายงานเจ้านายคือพระเจ้าอาชาติศัตรู